5. ปัธรมประวารณาสิกขาบท 88. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพัฒาหารแล้วฉันของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดนณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักรุงสาวัตถีถามทรงปรารบไกรตอบ ทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปฉันแล้วบอกห้ามพระตาหารแล้วไปฉันที่อื่นอีกในปฐมประวารณาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐาน เป็นกัธินะสมุทฐาน